มีความเชื่อต่อๆกันมาค่ะว่าคนเราเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะคะวิญญาณจะออกจากร่างล่องลอยไปสู่ดินแดนอีกพบหนึ่งซึ่งเป็นพบที่มีแต่ผู้ที่ตายแล้วเท่านั้นจะเดินทางไปได้แต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันค่ะที่ผู้ตายไปแล้วยังไม่ยอมเดินทางไปสู่ดินแดนหลังความตาย แต่กลับยังคงล่องลอยอยู่ในโลกคนเป็นจนกลายเป็นวิญญาณไร้ร่างที่หลายคนเคยมีโอกาสสัมผัสนะคะส่วนมากดวงวิญญาณเหล่านี้มักจะเกิดจากการตายโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นดวงวิญญาณที่ยังคงมีห่วงมีความกังวลต่อคนที่อยู่ข้างหลังจึงทำให้ดวงวิญญาณไม่เป็นสุขไม่สามารถจะไปอะไรได้ง่ายๆนะคะกลายเป็นวิญญาณทรมานที่น่าสงสารอีกทั้งยังน่ากลัวเมื่อปรากฏกายให้ผู้คนได้พบเห็น หนึ่งในความทรมานวิญญาณ น, นั้นบางครั้งค่ะก็มีสาเหตุมาจากการตายโดยอุบัติเหตุร้ายแ ร, แรงสยสยองทำให้ดวงวิญญาณได้รับความทุกข์ทรมานเนื่องจากเป็นการตายแบบฉับพลันและไม่มีโอกาสสั่งเสียคนที่ตัวเองรักแล้วก็ห่วงใ ย, ยที่เราเรียกกันนะคะว่าตายหงนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะจึงทําใหบา้บางครั้งค่ะเราก็เคยได้ยินมาไม่น้อยเหมือนกันค่ะว่ามีบางคนได้พบหรือว่าสัมผัสวิญญาณผีตายโหงตามสถานที่ต่างๆซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าหวาดกลัวชวนขนหัวลุกเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานที่ที่ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นแหล่งรวมวิญญาณผีตายโหงอันสืบเนื่องจากอุบัติเหตุตามท้องถนนมากที่สุดแห่งหนึ่ง คือสุสาน ร, รถที่ประสบอุบัติเหตุของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งตั้งอยู่ในซอยแห่งหนึ่งย่านบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งใครหลายคนอาจจะเคยรับรู้ถึงกิจดีศัพท์ด้านความเฮี้ยนของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบลองของท้าทายพลังวิญญาณด้วยแล้วละก็หลายรายละค่ะเจอดีกันมาจนต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งสถานที่แม้ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเป็นสุสานที่เก็บซากรถที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนใช้การไม่ได้นะคะอีกทั้งแต่ละคันก็มีประวัติคนตายคารรถในสภาพสยดสยองมาแล้วทั้งสิ้น บรรยากาศของสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างน่ากลัวค่ะอย่าว่าแต่ว่าเฉพาะตอนกลางคืนเลยนะคะแม้แต่ตอนกลางวันแสกๆค่ะใครได้เข้าไปเห็นก็จะรู้สึกหดหู่สุดประมาณเพราะว่าสภาพรถแต่ละคันนี่บ่งชี้ชัดเจนค่ะว่าเคยผ่านอุบัติเหตุมาอย่างหนักหนาะสาหัสแค่ไหนและสภาพรถที่พังยับเยินเช่นนี้มีหรือผู้ที่อยู่ในรถจะรอดที่ผ่านมาเคยมีเสียงร่ําลือนะคะจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านดังกล่าวมานานแล้วค่ะว่า ซูซาน ร, รถอุบัติเหตุแห่งนี้มีผู้พบเห็นผีมาแล้วหลายครั้ง บางรายค่ะเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวมายืนโบกรถให้ไปส่งที่บ้านบางรายก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยบางครั้งก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นนั่งอยู่ในรถโดยสารตีกลองร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานและบางครั้งนะคะก็มีคนพบค่ะว่าอยู่ดีๆไฟในรถกลับเปิดสว่างขึ้นมาเองหรือแท็กซี่บางคันเห็นมีคนมายืนโบกรถหยุดตรงหน้าประตูทางเข้าสถานที่เก็บรถของกลางของกองบัญชาการตารวจนครบาลแห่งนี้นะคะพอจะเข้าไปจอดรับ ก็หายไปกับตาหรือบางครั้งก็มีคนวิ่งตัดหน้าแล้วก็หายไปดือด้อๆค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถของซากรถับัสประจำทางที่เคยประสบอุบัติเหตุอย่างหนักจนมีผู้โดยสารเสียชีวิตนับสิบศพนั้น ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนำซากรถของกลางมาจอดเก็บรักษาไว้ในสุสาน ร, รถแห่งนี้ต่อมาค่ะก็มีชาวบ้านเล่าลือกันปากต่อปากนะคะว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตมาปรากฏกายให้เห็นสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจนไม่มีใครกล้าเฉียดไกลเข้าไปใกล้ซ า, ากรถบัสคันดังกล่าว ก่อนหน้านี้ไม่นานนักนะคะเคยมีสองแม่ลูกเดินผ่านหน้าสุสานรถใกล้กับซากรัรถบัส ท, ที่จอดอยู่ในภายในสุสานรถแห่งนี้นะคะซึ่งหากจากห่างจากริมรั้วไปไม่ค่อยไกลนัก ปรากฏว่าอยู่ๆนะคะเด็กหญิงวัยหขวบที่เดินมากับแม่ค่ะเกิดอาการหน้าซีด ต, ตัวสั่นไม่ยอมก้าวเดินต่อไปเมื่อแม่สอบถามว่าลูกเป็นอะไรนะคะลูกสาวก็บอกว่าเห็นผู้ชาย3คนกับผู้หญิงหนึ่งคนเลือดท่วมตัวหน้าตาดุมากนั่งอยู่ในรถบัสพร้อมกวากมือเรียกให้เด็กเข้าไปหาอีกรายค่ะคุณผู้ฟังเป็นหนุ่มวัยชกันนะคะขณะกาลังเดินผ่านหน้าสุสาน ร, รถกับเพื่อนตอนช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเศษ อยู่ดีๆก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าของเหมือนกับกลิ่นศพนะคะอย่างรุนแรงลอยมาตามลมค่ะกลิ่นนั้นมันก็ชัดเจนมากจนเริ่มชักจะตใจไม่ดีแล้วสักครู่เสียงหมาก็เริ่มหอนนะคะเมื่อรู้ว่าเจอดีเขาให้ค่ะจึงหันไปมองหน้าเพื่อนที่มาด้วยปรากฏว่าเพื่อนนี่ยืนตัวแข็งทําท่าเหมือนคนตกใจพอถามว่าเป็นอะไรเพื่อนก็ไม่ตอบแต่ว่าชี้มือไปที่รถคันนั้น พอเขามองตามก็เห็นเต็มตาค่ะว่าในรถกระบะคันหนึ่งมีคนนั่งตรงกระบะหลังแต่และคนมีเลือดท่วมตัวหนำซ้ำค่ะยังค่อยๆหันหน้ามามองแล้วก็กวักมือเรียกนะคะเท่านั้นแหะค่ะสองคนนี้ก็โกยอ้าใส่ตีนหมาเลยทีเดียวกลับถึงบ้านก็รีบเข้าห้องพระแล้วก็สวดมนต์เป็นการใหญ่พอผู้เป็นพ่อได้ยินเสียงกุกกักก็ลุกขึ้นมาดูแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเข้าไปนในห้องพระทาไม เขาก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังผู้เป็นพ่อบอกว่าผีที่เห็นเนี่ยเป็นผีตายหงวิญญาณจะแรงกว่าผีทั่วไปพวกเขาตายเพราะว่านั่งรถกระบะคันนั้นวิญญาณจึงยังวนเวียนอยู่ที่รถรถอยู่ที่ไหนวิญญาณก็อยู่ที่นั่นและบอกให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเขาจะได้มีกินจะได้ไม่ต้องเป็นผีที่หิวโหย อ, อีกต่อไป พี่ดวงใจนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลสถานที่เก็บรถของกลางของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งร่ำลือกันว่าเหียนตายโหงอีกทั้งปัจจุบันยังพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะโดยพี่ดวงใจนะคะก็ยืนยันค่ะปรากฏการเหนือคำอธิบายพร้อมกับชี้ไปยังซากรถเก๋งสีดำในสภาพพังยับที่จอดสงบอยู่ ผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้บอกค่ะว่าปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่นี่กับสามีเพียงสองคนเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่และมีหลายครั้งที่เธอกับสามีเคยพบเจอเหตุการณ์แปลกๆอย่างเช่นบางครั้งนะคะก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนเดินเสียงดังซวบซ่าบนะคะทั้งที่ไม่มีใครอื่นบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องไห้เสียงรอง้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและที่แปลกมากที่สุดก็คืออยู่ๆนะคะปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ค่ะสภาพพังยับเยินคันหนึ่งนะคะในะคันที่ จอดเรียงรายอยู่ใต้ต้นโพลใกล้บ้านพักในี่เกิดสตาร์ท เ, เรื่องดังกระหึ่มขึ้นมาเองทั้งที่สภาพของมันไม่มีทางจะสตาร์ทติดได้นอกจากเหตุการณ์ประหลาดชวนขนหัวลูกดังกล่าวมาแล้วค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีซ่ารถยนต์พังยับเยินสภาพหักกลางลำถูกนำมาเก็บไว้ในสุสาน ร, รถแห่งนี้ สภาพรถคันนั้นใครๆเห็นเข้าก็ต้องชะ ง, งักเกิดค่ะเพราะว่ามันน่าสยดสยองอย่างยิ่งชาวบ้านรานช่องในละแวกนั้นค่ะมองเห็นแล้วก็เกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวบางคนตั้งใจว่าจะไม่มองเข้ามาในสุสาน ร, รถเพราะกลัวว่าจะเห็นวิญญาณโผล่ออกมาจากซากรถที่รู้รอยู่ว่ามันคฆ่าชีวิตมนุษย์ไปนับร้อยๆศพแต่ก็อดเผลอหันไปมองไม่ได้ค่ะราวกับมีอะไรดึงดูดสายตาโดยไม่ได้ตั้งใจ วันแรกแรกนะคะที่มีซากรถน่าสะพึงกลัวมาจอดอยู่ที่นี่คือมีคนเห็นแสงไฟกระพริบวูบวาบค่ะพอจ้องมองอีกทีอ้าวหายไปแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์วินเหมือนกันนะคะเล่าบอกว่าขี่รถกลับบ้านตอนดึกหันไปมองก็เห็นร่างดำๆรุมล้อมรถอยู่รอบคันนะคะร่างเหล่านั้นหันมามองพลางโบกไม้โบกมือเล่นเอาขนหัวลูกขนหัวตั้งกันเลยทีเดียวมือไม้สั่นจนแทบจะขี่รถกลับบ้านไม่ไหวนะคะ หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์อีกรายหนึงกล่าวค่ะว่าเขาเคยขี่รถผ่านตรงซากรถที่จอดอยู่ตอนดึกกับเพื่อนอีกสองคนได้ยินเสียงแตรรถกดถี่แล้วก็กดเร็วๆค่ะตอนแรกก็นึกว่าโดนคันหลังบีบแตรไล่มองกระจกหลังก็ไม่มีรถแล่นมาสักคันพอเสียงแต ร, รดังขึ้นก็เลยนึกขึ้นได้แล้วก็สะดุ้งโหยงเลยนะะเย็นว่าไปทั้งตัวมันดังมาจากรถผีสิงคันนั้นนั่นเอง เขาคงบีบแปร์ทักทายหรือเตือนสติด้วยความหวังดีว่าอย่ารีบร้อนไปตายเหมือนพวกเขาเลยซึ่งขณะนั้นเองนะคะก็เหมือนมีอะไรดนใจให้หันไปมองเห็นซากรถสภาพหักกลางคันพังยับเยินคันนั้นนะคะพันก็ถึงกับมีอาการเย็นวูบที่ต้นคอค่ะแล้วก็แล่นว่าบลงมาตามแผ่นหลัง เพราะว่าวินาทีนั้นเองนะคะเขาบอกว่าเขาได้พบกับคนกลุ่มหนึ่งประมาณ 3-4 สี่คนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นสภาพแต่ละคนนี่คือสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแล้วก็ฉับพลันทันใดคนเหล่านั้นก็หันมามองเขาเป็นตาเดียวทุกคนล้วนมีสภาพเป็นซากศพตามร่างกายมีบาดแผลชะกันเลือดอาบร่างบางคนนะคะสีษะบวมเป่งเป็นลูกแตงโมเลยทีเดียว ภาพที่เห็นเนี่ยบ่งบอกได้ทันทีค่ะว่าจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากวิญญาณผีตายโหงที่ตายคารถคันดังกล่าวนะคะหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ถึงกับร้องตะโกนแล้วก็รถเป๋เข้าไปในพงหญ้าก่อนจะตั้งหลักได้แล้วก็รีบบิดหนีภาพอุอบัติาตแบบเร็วจีเลยนะคะแต่ก็ยังช้ากว่าเพื่อนอีกสองค น, นะคะ่ะที่พุ่งแซงหน้าปานลมพัด นอกจากนี้พี่ดวงใจผู้ดูแลสุสานรถนะคะยังเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะเดินทางเข้ามาพิสูจน์ความกล้ากันหลายครั้งหลายหนซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะก็จะเจอดีแตกต่างกันไปค่ะส่วนมากที่พวกเขาเจอก็จะเป็นประเภทกลิ่นและก็เสียงมากกว่าจะเห็นเป็นรูปร่างที่ได้ยินกันบ่อยก็จะเป็นเสียงร้องครางดังฮือๆ อ, ออกมาจากซากรถเหมือนกําลังได้รับความเจ็บปวดนะคะกับเสียงร้องหวยหวนขอความช่วยเหลือจากมุมต่างๆ พอเข้าไปใกล้ๆกับไม่พบอะไรนอกจากความมืดอันว่างเปล่าเมื่อถามนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์ประหลาดต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่ดวงใจก็บอกว่าส่วนใหญ่มีคนพบเห็นจะเกิดขึ้นเวลาตำรวจเอาซากรถมาจากสถานที่เกิดเหตุใหม่ๆโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณเจ็ดวันแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ คงจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่รู้ตัวเองนะคะว่าได้ตายไปแล้วหรือเป็นเพราะว่าวิญญาณเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันจึงวนเวียนอยู่ในซากรถเหล่านี้ก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังส่วนอีกเหตุการณ์นึงค่ะเป็นประสบการณ์สยองของเด็กวัยรุ่นนักศึกษาอายุ20ปี เล่าประสบการณ์นขนหัวลูกให้พี่ดวงใจผู้ดูแลสุสานฟังเกี่ยวกับเรื่องราวเขย่าขวัญที่เขากับเพื่อนประสบพบเจอมาณสถานที่เก็บของกลางของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแห่งนี้เด็กหนุ่มวัย20ปีคนนี้นะคะซึ่งเป็นนักศึกษาเล่าว่าเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนเขากับเพื่อนได้เคยมาลองของแล้วก็พิสูจน์ความเี้ยนในสถานที่แห่งนี้กันเมื่อกลับมาถึงบ้านก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเคลีย ขณะที่กำลังหลับสบายอยู่นั้นค่ะปรากฏว่าอยู่ๆเขาก็รู้สึกหนาวขึ้นมาจนถึงขั้นตัวสั่นทั้งที่ช่วงนั้นเป็นฤดูร้อนพอเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ได้มองออกไปทางประตูห้อง ภาพที่เห็นคือภาพของชายร่างใหญ่มีคราบเลือดเกรอะกรังยืนอยู่ที่หน้าประตูเด็กหนุ่มนักศึกษาบอกกับพี่ดวงใจว่าเขาจ้องดูภาพนั้นเต็มตาแม้จะเห็นหน้าไม่ชัดมองดูเป็นเงารางแต่ก็รู้ได้ในทันทีว่าตนเองกำลังเผชิญหน้ากับแขกไม่ได้รับเชิญเข้าให้ เขาก็เลยพยายามรวบรวมสติสวดมนต์ภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองจากนั้นก็พยายามข่มตาให้หลับเป็นปกติแต่ว่าทําอย่างไรก็หลับไม่ลงค่ะเขาก็เลยค่อยๆปรือตาขึ้นมาดูว่าอาคันตุกะที่มหานี่หายไปหรือยังแทนที่จะพบกับความว่างเปล่าอย่างที่คาดหวังไว้ค่ะปรากฏว่าพอปรือตาขึ้นมองดูอีกครั้งภาพชายคนดังกล่าวยังคงยืนตระงานอยู่ตรงปลายเตียงค่ะและยืนจ้องมองอย่างตาไม่กระพริบ แม้ว่าเขาจะพยายามคุมสติอย่างไรก็เอาไม่อยู่ซะแล้วเขาจึงได้ร้องตะกนลั่นด้วยความหวาดกลัวและเสียงร้องของเขาก็ปลุกให้ทุกคนในบ้านตื่นกันหมดเขาก็เลยเล่าให้ทุกคนฟัง พอเล่าจบนะคะคนในบ้านจึงได้ถามว่าไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรมาหรือไม่เขาก็เลยเล่าเรื่องของการไปพิสูจน์วิญญาณที่สุสาน ร, รถให้ฟังและตอนนั้นเองค่ะเขาถึงนึกขึ้นได้ตอนมาลองของที่สุสาน ร, รถเกิดปวดท้องเบาขึ้นมาและได้ไปยืนปวดทุกตรงป่าหญ้ามุมหนึ่งของสุสาน ร, รถซึ่งบริเวณดังกล่าวมีซากรถเก่าๆคันนึงที่เกิดอุบัติเหตุจอดอยู่ จึงมีการสรุปกันค่ะว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวคงมีวิญญาณตายโหงสถิตยอยู่มากมายและวิญญาณดังกล่าวยังคงวนเวียนอยู่แล้วแวกนี้พอวันรุ่งขึ้นก็เลยพากันทำพิธีขอขามาอย่างจุดบริเวณที่เขาไปยืนปลดทุกข์ก่อนจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณที่ตามไปปรากฏตัวให้เห็นถึงที่บ้านนั่นเองค่ะ คุณพี่มานะนะคะเป็นจ่าทหารหน่วยอากาศโยทินซึ่งทำงานอยู่ที่ค่ายใกล้กันกับกองบินกองทัพอากาศดอนเมืองและก็มีบ้านพักอาศัยอยู่ไม่ห่างจากสุสาน ร, รถนักนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่าคืนหนึ่งนะคะขณะที่เขากำลังจะกลับเข้าบ้านหลังจากที่เอารถไปซ่อมที่อู่ย่านสะพานใหม่ขณะที่ขับมาใกล้ๆสุสานรซรากรถก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางพร้อมกับโบกมือให้จอดรถ ตอนแรกเขาก็เห็นเป็นร่างของผู้ชายคนนั้นนี่อยู่ระยะไกลก็มองไม่ค่อยชัดนะคะจนกระทั่งรถวิ่งเข้าไปไกลแสงไฟสัดเข้าไปที่หน้าจนสว่างเป็นลำมองเห็นชัดเจนขึ้นเขาจึงได้พบน ะ, ะว่าผู้ชายที่ยืนบอกรถอยู่เนี่ยมีเพียงแค่ร่างเท่านั้นแต่ว่าไม่มีส่วนหัวให้เห็นค่ะจากนั้นมาคนที่บ้านเรือนใกล้เคียงนะคะก็มักจะได้ยินเสียงกรีดร้องในช่วงเวลาดึก เป็นเสียงร้องของคนที่กำลังอยู่ในห้วงงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ไม่มีใครกล้าที่จะออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะต่างคนต่างก็กลัวนะคะว่าจะต้องไปเผชิญหน้ากับผีของชายหัวขาดคนนั้น เรื่องนี้เป็นที่โจดจันกันอย่างมากในช่วงนั้นบางคนก็เชื่อค่ะว่าช่วยส่งเสริมให้ เ, เรื่องราวล่ํารือออกไปแต่ก็มีบางคนไม่เชื่อก็พยายามกล่าวหาผู้ที่ประสบพบเจอกับเรื่องราววิญญาณผีหัวขาดว่าเป็นผู้กุเรื่องตราวขึ้นเพราะอยากดังเนื่องจากช่วงนั้นเพิ่งมีการนํำซากรถสภาพพังยับเยินคันหนึ่งเข้ามาจอดเก็บไว้ในสุสาน ร, รถใหม่ๆนะคะแล้วก็มีข่าวว่าชายคนขับรถดังกล่าวประสบบัติเหตุรถชนกับรถบรรทุกเสียชีวิต ที่ในสภาพหัวขาดค่ะ ประมาณ2เดือนหลังจากนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณผีหัวขาดก็ค่อยๆซาลงเพราะว่าระยะหลังไม่ค่อยมีคนได้เห็นปรากฏการของผีชายหัวขาดนั้นอีกแต่ในขณะที่เรื่องราวน่าสยองขวัญกําลังจืดจางลงไปนั้นนะคะอยู่ๆผีของผู้ชายหัวขาดคนนั้นก็กลับมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและคราวนี้นะคะก็ผู้ที่สัมผัสไม่ใช่ใครอื่นคือคุณพี่มานะนี่แหละค่ะจากอากาศคนเดิมที่เคยเจอเขาบอกว่าคืนนึงผมไปกับแฟนไปงานแต่งของเพื่ แล้วก็ว่าจะขอตัวหรือว่ากลับบ้านหรือว่าปลีกตัวออกมาได้เนี่ยก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้วพ่อขับรถออกจากบริเวณงานเลี้ยงแล้วก็ตรงกลับบ้านเลยเมื่อขับมาใกล้บริเวณหน้าสุสาน ร, รถ ก็นึกภาวนาอยู่ในใจว่าขออย่าได้เจอเจอกับเหตุการณ์เหมือนที่เคยเจอมาอีกเลยแต่รู้สึกว่าการภาวนาของผมไม่เป็นผลนะคบคุณพี่มณะบอกเพราะเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นผมก็ได้พบกับร่างของผู้ชายคนหนึ่งปรากฏอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวชายคนนั้นกําลังนั่งอยู่ริมประตูรั้วสุสาน ร, รถมีแสงสว่างว่าเป็นช่วงๆคล้ายกับคนกาลังนั่งสูบบุหรี่ ลักษณะการนั่งคล้ายกับการโยกตัวกอดเข่าอยู่ร่างงเขาโยกเยกไปมาอยู่บริเวณริมประตูรั้วเหล็กเก่าๆนะคะครั้งนี้ผมไม่ได้เห็นเพียงลําพังเพราะว่าภรรยาซึ่งนั่งรถมาด้วยก็เห็นเราทั้งคู่อ่าทั้งคู่ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างจับใจแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ตามความคิดตอนนั้นพุ่งตรงไปในประเด็นเดียวกันนั่นคือคําเล่าลือเรื่องผีหัวขาดและสิ่งที่ผมเคยประสบพบเจอกับตาตัวเองเมื่อครั้งก่อน คุณพี่มณนะก็เล่าต่อไปค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อยิ่งขับรถของพวกเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นแสงไฟจากรถก็สาดเป็นลำทอดยาวไปเบื้องหน้าทำให้เขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้เห็นร่างของผู้ชายคนนั้นอย่างชัดเจนซึ่งขณะเดียวกันผู้ชายในความมืดก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งโยกตัวไปมาในทีแรกค่ะเปลี่ยนเป็นลุกขึ้นยืนพร้อมกับก้าวเท้าออกมาข้างทางชายคนนั้นไม่มีหัว ร่างทั้งร่างนะคะชุ่มโชกไปด้วยเลือดและที่ร้ายกว่านั้นคือร่างของเขาได้เดินตัดผ่านหน้ารถไปอย่างรวดเร็วความตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเกือบทำให้รถเสียหลักแต่โชคดีที่คุณพี่มานะยังประคองสติไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่เช่นนั้นคะ่ะอาจจะเกิดเรื่องราวอันน่าเศร้าติดตามมาอีกก็เป็นได้นะคะ เรื่องราวของวิญญาณผีหัวขาดใ น, ส, ส, น ส, สุสานซากรถขาดถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้มันออกมาในการถ่ายทอดของคุณพี่มานะกับภรรยาซึ่งได้เจอะเจอมาอย่างชัดเจนนะคะหลังจากนั้น ก็เคยได้มีผู้ที่ได้ยินเสียงคร่ำครวญอย่างทุกข์ทรมานของผู้ชายไร้หัวอีกเป็นบางครั้งบางคราวกระทั่งการเวลาล่วงเลยไปเรื่องราวต่างๆก็ค่อยๆเงียบหายไปในที่สุดยกเว้นแต่กับผู้ที่เคยได้สัมผัสเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในห้วงแห่งความทรงจำอนนาหวาดกลัวอย่างไม่มีวันลืมค่ะ คุณผู้ฟังคะที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงบางส่วนของเรื่องเล่าขยายขววญที่เคยมีผู้ประสบพบเจอมาหากใครไม่เชื่อก็ขออย่าได้ลบหลู่ต่อสิ่งลี้ลับเหล่านี้เพราะหากไม่มีจริงคงไม่มีเสียงร่ำลือถึงความเฮี้ยนตายโหงที่เคยเกิดขึ้นณนะสุสาน ร, รถแห่งนี้อย่างแน่นอนค่ะ